บทที่ยี่สิบแม่เชิญสีโลงนะครับมิยอมมาหาเด็กชายสัมฤทธิ์บอกสมภารวัดป่ามะม่วงหลังจากที่ส่งน้ำเสร็จแล้วอากาศช่วงบ่ายร้อนอบอ้าววิธีคลายร้อนที่ดีที่สุดก็คือการอาบน้ำผู้หญิงหรือผู้ชายเคยมาหรือเปล่าท่านถามขณะครองจีวอนผู้หญิงครับ สงสัยไม่เคยมาเพราะผมไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแต่ไม่แน่อาจจะเคยมาตอนที่ผมไม่ได้มาอยู่ที่นี่ก็ได้ลงน้าไปดูเองดีกว่าเด็กชายตอบงั้นก็ลงไปบอกเขาว่าเดี๋ยวข้าจะลงไปเด็กชายจึงกราบลงน้าแล้วก็เดินลงไปบอกสตรีผู้นั้นเมื่อสมภารลงมานั่งยังอาสนะหญิงสาวกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งแล้วถามขึ้นว่า ท่านจำดิชันได้ไหมเจ้าคะ่ะดิฉันไปถามหาท่านที่วัดพรหมบุรีแต่เขาก็บอกว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดนี้ดิฉันจึงตามมาโยมาจากไหนล่ะท่านถามครันจะตอบไปตามตรงว่าจำไม่ได้เกรงว่าหล่อนจะเสียใจดิฉันมาจากบ้านไผ่กองดินเจ้าคะ่ะที่ท่านเคยไปบ้านดิฉันเมื่อหลายปีก่อน คำพูดของหล่อนทำให้พระเจริญลึกขึ้นได้จึงทักว่าอ๋อแม่เชิญสีนั่นเองไปยังไงมายังไงเ่าเนี่ยอาตมาจำเกือบไม่ได้ขอโทษนะหน้าตาโยมหม่นหมองอมทุกข์จนดูเป็นคนละคนกับเมื่อก่อนเกิดอะไรขึ้นหรือเท่านั้นเองทำนบน้ำตาก็พังครืนออกมา นางสาวเชิญศรีร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจสมภารวัดป่ามะม่วงปล่อยให้ร่อนร้องท่านเห็นเป็นธรรมดาแล้วว่าน้ำตากับผู้หญิงเป็นของคู่กันการได้ร้องไห้จะช่วยให้ความทุกข์องหล่อนคลายลงเด็กชายสมริดนั่งดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆเห็นคนร้องไห้ก็เสียใจถึงจะไม่รู้ว่าร่อนร้องไห้ด้วยเรื่องอันใด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 หากพอช่วยได้อัตมาจะช่วยภิกษุวายสาเศษเอื้อเฟื้อท่านเห็นกฎแห่งกรรมของร่อนตั้งแต่ตอนนั้นและรู้ว่าหลอนจะต้องมาให้ช่วยเวลาผ่านไปหลายปีและบัดนี้หลอนก็ได้มาแล้วเจ้าค่ะดิฉันเห็นแต่ท่านนี่แหละที่จะช่วยดิฉันได้จึงบากหน้ามาหาถึงอย่างไร ดิฉันก็เชื่อแน่นแฟ้นว่าท่านเป็นลูกชายของดิฉันเมื่อครั้งอดีตชาติพูดเสียงปนสะอื้นโยมอดีตมันผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงพระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้หวนหาอดีตไม่ให้วาดหวังอนาคตแต่จงกำหนดปัจจุบันโยมมีอะไรก็ว่าไปไม่ต้องใส่ใจกับอดีตนะโยมนะ เจ้าค่ะหล่อนใช้ผ้าคนหนูเช็ดน้ำตาจนแห้งพยายามฝืนใจไม่ให้ร้องไห้อีกแล้วจึงตั้งต้นเล่าคือพ่อแม่และพี่ชายของดิชันพากันตายหมดแล้วเจ้าค่ะพวกพี่สะพ้าก็พากันแย่งสมบัติของพ่อแม่และพี่ชายและยังมาแย่งส่วนที่เป็นของดิชันด้วยจนต้องฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกัน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ภิกษุวัยสามสิบเศษถามเมื่อสามปีมาแล้วเจ้าค่ะดิฉันก็ไปไปมามาระหว่างบ้านกับศาลต้องลำบากลำบนมากจนบัตรเนี้ยคดียังไม่ยุติผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอยู่อย่างเนี้ยตอนดิฉันไปศาลใหม่ๆก็มีผู้พิพากษาบ้างอายการบ้างมาชอบดิฉันก็ไม่ชอบเขา ต่อมาก็รู้จักกับเสมียนสารชื่อนายโทคบกันไม่นานดิฉันก็เกิดรักเขาดิฉันก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นผู้พิพากษาอายการดิฉันไม่ชอบกลับมาชอบคนหากินตามตีนโรงตีนสารพระเจริญสะดุดใจกับคำว่านายโททำให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งกระโนนครั้งที่ท่านเป็นแม่ทัพ และเป็นลูกชายของแม่เชิญศรีผู้นี้นายโทได้ผูกอาฆาตแม่เชิญศรีไว้ตอนก่อนตายเฝ้าติดตามมาแก้แค้นจนได้และที่น่าแปลกคือเขาชื่อโทเหมือนเมื่อชาติที่แล้วทำไมดิฉันไม่ชอบผู้พิพากษาไม่ชอบอัยการแต่กลับมาชอบเสเมียรและเจ้าคะทำไมหล่อนทำท่าจะร้องไห้อีก เพราะเคยทำกรรมร่วมกันมานะสิชาตินี้ก็เลยต้องมาใช้เวรใช้กรรมเอาละไม่เป็นไรใช้ใช้ให้หมดเสียชา ต, ติต่อไปจะได้ไม่ต้องมามีเวรมีกรรมต่อกันเจ้าอาวาดวัดป่ามาม่วงตอบเพราะเห็นกฎแห่งกรรมของคนทั้งสองอย่างแจ่มชัดท่านคะอีกนานเพียงใดเรื่องฟ้องร้องถึงจะจบสิน้น อันนี้ก็ต้องถามที่ศาลอาตมาตอบไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้พิพากษาแล้วก็ไม่ใช่อายการด้วยท่านตอบยิ้มยิ้มนางสาวเชิญสีรู้สึกผ่อนคลายและเห็นรอยยิ้มของท่านและดีฉันจะแพ้หรือชนะเจ้าคะหล่อนถามอีกคำตอบเหมือนมตตกี้สมพานตอบยิ้มยิ้มเช่นเคย ถ้าเช่นนั้นดิชันไม่อยากทราบแล้วค่ะแต่ดิชันมาวันนี้เพราะว่าต้องการให้ท่านช่วยเรื่องปลูกเรือนหอในโทรเขาบอกดิฉันว่าเขาจะแต่งงานกับดิชันต่อเมื่อดิชันสร้างเรือนหอเสร็จแล้วจะให้อัตมาช่วยอย่างไรล่ะก็ช่วยดูแลเรื่องการก่อสร้างดิฉันไม่มีใครเลยจริงๆเจ้าค่ะนึกว่าสงสารผู้หญิงตัวคนเดียวพ่อแม่พี่น้องตายหมดแล้วทําไม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 ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะแม่เชิญศรีได้ทำรำรอันหนักหนาสาหัสไว้กับเขาท่านรู้แต่แม่เชิญศรีสิไม่รู้เอาล่ะตกลงว่าอาตมาจะช่วยเป็นทุระให้ไหนไหนก็มาขอร้องแล้วครั้นจะปฏิเสธก็ดูกะไรอยู่ในใจนั้นท่านคิดว่าจะต้องสงเคราะห์คนที่เคยเป็นมารดาในอดีตชาติ ถือซื้อว่าเป็นการตอบแทนค่าป้อนข้าวป้อนน้ำนมที่หล่อนเคยมีต่อท่านจริงหรอเจ้าคะท่านจะช่วยเป็นธุระให้ดิฉันจริงจริงหรือโอ้นับว่าบุญวาสนาของดิฉันมีเสียแรงที่อุตสาบากหน้ามาพึ่งท่านช่างเมตตาเหลือเกินหล่อนก้มลงกราบพระลูกชายรู้สึกปีติจนน้ำตาไหล แล้วจะลงมือสร้างเมื่อไหร่ล่ะสมพานวัดป่ามะม่วงถามพรุ่งนี้เลยดีไหมเจ้าคะพรุ่งนี้นิมนท่านไปที่บ้านไผ่กองดินเพื่อดูทำเลคุณยายยกที่ดินให้ดิชันสองแปลงอยากให้ดูว่าควรจะสร้างในแปลงไหนทาไมไม่ถามโยมโทเขาล่ะปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ผูกอู่ต้องตามใจผู้นอนมิใช่หรือ เขาไม่สนใจหรอกเจ้าค่ะได้แต่สั่งให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้ดิฉันไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงยอมเขาให้มาบงการชีวิตดิฉันไม่ใช่ว่าจะเป็นคนยอมใครแต่ทำไมถึงได้มายอมคนคนนี้ก็ไม่ทราบเพราะเคยสร้างกรรมทำเวรไว้กับเขาน่ะสิพระเจริญเผลอพูดออกมาดิฉันน่ารือ้อ ดิฉันไปสร้างกรรมทำเวรกับเขาตั้งแต่เมื่อไรเจ้าคะนางสาวเชิญสีรู้สึกข้องใจสมภารวัยสาสเศษจึงพูดกลบเกือนว่าจะเมื่อไรก็ช่างเธอโยมเรื่องมันแล้วไปแล้วอาตมาเพียงแต่อยากจะบอกว่าผลมันเกิดจากเหตุผลก็คือวิบากเวลานิยมกำลังรับวิบากของกรรมที่โยมได้ก่อไว้ตั้งแต่ครั้งอดีต ทางที่ดีที่สุดก็คือก้มหน้าก้มตารับเรนที่ทํากรรมที่ก่ออย่าได้ปฏิเสธทุกข้อหาการทํากรรมเหมือนเราเป็นหนี้เขาใช้กรรมก็คือใช้หนี้เมื่อใช้แล้วก็เป็นอันหมดหนี้หมดสินกันข้อสําคัญคืออย่าไปสร้างหนี้ใหม่ขึ้นมาอีกอัตมาพูดอย่างนี้โยมพอจะเข้าใจไหมเจ้าค่ะ ดิฉันจะพยายามทําตามที่ท่านแนะนําแต่ว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะไปดูแลเรื่องการปลูกเรือนหอให้ดิฉันได้หรือเปล่าเจ้าคะ่ะพรุ่งนี้เป็นวันพระอาตมาทิ้งญาติโยมไปไม่ได้หรอกขอเป็นมารืนนี้ก็แล้วกันและโยมล่ะมายังไงจะกลับยังไงดิฉันมาเรือโดยสารเจ้าคะ่ะคิดว่าเสร็จธุระแล้วก็จะกลับถ้าเช่นนั้นดิฉันถือโอกาส กราบลานะเจ้าคะวันมรืนจะได้คอยต้อนรับท่านอยู่ที่บ้านล่อนกราบเบญจางข้าประดิษฐ์สามครั้งและจึงคลานออกมาไม่ลืมที่จะส่งผ้าคนหนูคืนให้เด็กชายสำมฤทธิผู้ซึ่งตามมาส่งถึงท่านน้ำ จเจริญทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับมารดาในอดีตชาติรู้สึกว่าแม้ตัวท่านเองก็ต้องใช้กรรมเช่นเดียวกับแม่เชิญสีแม้จะไม่ยึดติดอยู่กับภพบชาติครั้งอดีตแต่เมื่อกรรมมาปรากฏก็ต้องชดใช้ไปตามหน้าที่หมดกรรมเมื่อใดก็จะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสงสารสาคร อ, อีกบัดนี้ท่านได้ตระหนักแล้วว่า การเกิดเป็นทุกข์การไม่เกิดเป็นสุขยังจำพุทธวจนะได้ขึ้นใจดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุจจระปัสวะน้ำลายน้ำหนองเลือดแม้มีประมาณน้อยก็มีกลิ่นเหม็นฉันใดเรายอบไม่สละเสรินพบแม้มีประมาณน้อยที่สุดโดยเพียงลัดนิ้วมือเดียวฉันนั้นสมภา์วัดป่ามะม่วง ไม่ได้เดินทางไปบ้านไผ่กองดินแต่เพียงผู้เดียวหากมีสามเณรตุ้ยติดตามไปด้วยทุกครั้งสามเณรตุ้ยก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดสมภารจึงต้องเป็นทุรัเรื่องการก่อสร้างให้กับสตรีผู้นี้ทั้งที่ไม่ได้เป็นญาติกันความไม่รู้ไม่เข้าใจทําให้เนนตุ้ยคิดเอาเองว่าสมภารกับแม่เชิญสีเป็นคู่รักกันปลูกเรือนหอเสร็จเมื่อใด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 ทั้งนี้พระสตรีทั้งสองปฏิบัติกรรมฐานก้าวหน้าจนสามารถบรรลุญาณ16ซึ่งเท่ากับได้ดวงตาเห็นธรรมบุคคลเช่นกลาวนี้จะมีจิตใจมั่นคงไม่วันไหวในพระลัตนะตรไม่ว่าจะเป็นพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ส่วนญาติโยมที่ไม่ได้มีคุณสมบัติดังกล่าวต่างพากันนินทาว่าร้ายสมพานอย่างสนุกปาก 2เดือนผ่านไปการปลูกสร้างเรือนหอเสร็จเรียบร้อยสมพานกับเนนตุยไม่ต้องเดินทางไปบ้านไผ่กองดินอีกเรื่องเลวร้ายทั้งหลายจบสิ้นลงเมื่อในโตนางสาวเชิญสีเดินทางมานิมนรพระวัดป่ามะม่วงไปเจริญพระพุทธมนตในงานมงคลสมรสของตนกระนั้นคนใจบาปหยาบช้าก็ยังอุตส่าห์เอาไปพูดอีกว่าสมพานอกหัก พระเจริญไม่ได้วันไวกับถ้อยคำกล่าวร้ายของผู้ใดท่านยังคงปฏิบัติหน้าที่ของบรรพชิตอย่างดีที่สุดโลกธรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นอิทธารมหรืออนิฐารมก็ไม่อาจครอบงมย่ายีจิตของท่านได้เพราะยึดพุทธพจน์ดังปรากฏในมงคลสูตรที่ว่าพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสานะกัมปติ ถูกโลกกระทจิตไม่วันไหววันเข้าพรรษาญาติโยมมาทำบุญกันคับคัง่งนางโถกับนางแต้มทำอาหารอย่างดีมาถวายพระภิกษุสงฆ์เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงมองหน้านางแต้มก็ให้ตกใจเพราะ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 กรรมที่ถีบสามีตกบันไดนี่แหละหนอที่เขากล่าวกันว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรมนางแต้มอุสาทมพิธีขอขามาลาโทษสามีกระทั่งปฏิบัติกรรมฐานได้ก้าวหน้าถึงขั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเระนั้นก็ไม่อาจหนีกฎแห่งกรรมไปพ้นอย่าว่าแต่นางแต้มเลยแม้พระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์ท่านก็ถึง พระอรหันต์แต่ก็ยังหนีกรรมไม่พ้นในอดีตชาติเคยทุบตีมารดาบิดาต้องไปตกนรกหมกไมมหลายร้อยชาติครั้นบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์เศษกรรมก็ยังมาให้ผลเป็นเหตุให้ท่านถูกพวกโจรทุบจนกระดูกแหลกเป็นเม็ดข้าวสารหักความที่ท่านเป็นผู้มีฤทธิ์ได้ห่อหนีโจร น, นับร้อยครั้ง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 และจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไป